สมัยก่อนนั้นคนส่วนมากจะรู้จักชื่อของป่าแก่งกระจานในนามของพื้นที่ห่วงห้ามทางทรัพยากรธรรมชาติเป็นพื้นที่ที่อุดมไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์รวมไปถึงสิงสารสัตว์นับไม่ถ้วนเป็นป่าที่มีชีวิตที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองไทยจนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน พื้นที่ดังกล่าวนั้นครอบคลุมตั้งแต่อําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขึ้นมาจนกระทั่งกินเนื้อที่มาถึงอําเภอหนองยาบลอ้องอําเภอเขาย้อยอําเภอท่ายางอําเภอแก่งกระจาดในจังหวัดเพชรบุรีซึ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งนั้นติดกับประเทศพามา่าโดยมีเทือกเขาตะนาวสีขวางกั้นอยู่ความสวยงามของป่าแก่งกระจาด น, นั้นเป็นที่ทราบกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวแต่หากว่าไปถามคนพื้นที่ที่บ้านอยู่ในบริเวณนั้นมาอย่างยาวนาน ต่างก็ให้คำตอบตรงกันว่าในความสวยงามเหล่านั้นมีอันตรายที่แฝงอยู่ทุกย่างก้าวหากมีผู้รุกล้ำเข้าไปโดยไม่เคารพยํำเกรงต่อผู้ที่เป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้ย่อมจะมีจุดจบที่น่าอนาถทุกรายความน่ากลัวของอาถรรพ์แห่งป่าแก่งกระจาดนั้นเป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้นในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2554 เมื่อเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกถึง3ามลำติดต่อกันในเวลาเพียง9วันโดยมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นถึง17คนและมีผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวเท่านั้นผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ในครั้งนั้นล้วนแต่เป็นทหารกล้าที่มีประสบการณ์การเดินป่าอย่างโชคชนบางคนนั้นเคยทํางานอยู่ในป่าแถบนี้มานานหลายสิบปีเหตุการณ์ในครั้งนั้นเกิดคําถามขึ้นตามมาว่าอาถรรพ์ของป่าแก่งกระจาดที่เกิดขึ้น แท้ที่จริงมีสาเหตุจากอะไรหนึ่งคำเล่าลือที่พูดถึงกันมากในหมู่นักล่องไพรในแถบนั้นคือหุบผาลมดูดหรือที่เรียกกันว่าหุบผาอาถรรพ์เป็นบริเวณที่มีลมกระโชกแรงอยู่บ่อยครั้งทำให้ผู้คนหรือสิ่งของต่างๆที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงนั้นถูกดูดเข้าไปในกระแสลมและตกลงไปในหุบเขาซึ่งมีนักผจญภัยจานวนไม่น้อยที่ต้องเอาชีวิตมาสังเวยให้หุบเขาแห่งนี้ จากเหตุการณ์ที่เฮลิคอปเตอร์แบล็กฮอคตกในครั้งที่สองนั้นได้เกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวโดยทหารบางนายที่เห็นเหตุการณ์ก่อนที่เครื่องแบล็ h ฮอคตกได้บอกเล่าเอาไว้ว่าในจังหวะที่เฮลิคอปเตอร์แบล็กฮอคกำลังจะลงจอดบนลานจอดชั่วคราวที่เตรียมไว้ได้เกิดลมกระโชกอย่างแรงตามด้วยเมฆหมอกและเม็ดฝนมาจากไหนไม่รู้หุภูอาถัน์ดังกล่าวถูกเล่าลือกันมาเนิ่นนานว่าเป็นเสมือนสุสานที่อยู่ท่ามกลางป่าแก่งกระจาด นั่นเป็นเพราะว่าตั้งแต่ในอดีตเป็นต้นมาบรรดาศพที่เกิดจากการสู้รบของทหารศพของชาวบ้านพรานป่าหรือศพที่ตายด้วยสาเหตุต่างๆกันไปได้ถูกนำมาทิ้งไว้ที่หุบเขาแห่งนี้เป็นจำนวนนับร้อยๆศพทำให้วิญญาณของผู้ตายอย่างไรที่ฝังเหล่านี้ต่างวนเวียนอยู่ในบริเวณดังกล่าวนอกจากนั้น ยังพยายามที่จะเอาชีวิตคนธรรมดาที่ผ่านไปมาทั้งพรานป่าและชาวบ้านที่ใช้เส้นทางนี้ในการล่าสัตว์หรือหาของป่าเป็นประจำต่างก็รู้กันว่าพื้นที่แห่งนี้ควรหลีกเลี่ยงอย่างมากที่สุดไม่ควรแม้กระทั่งเพียงมองผ่านนอกจากนั้นยังเกิดเหตุการณ์อาถรรพ์อีกอย่างหนึ่งที่เป็นเหมือนคาเตือนของเจ้าป่าเจ้าเขาในระหว่างการเก็บกู้ศพทหารที่เสียชีวิตจากเหตุเครื่องบินตกในครั้งนั้นโดยเกิดเหตุการณ์อาถรรพ์ปักทูปไม่ลง เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในครั้งที่มีกำหนดการนำเฮลิคอปเตอร์เข้าไปรับศพของนายทหาร5คนจากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ฮิวอี้ตกในครั้งแรกซึ่งก่อนที่จะออกบินได้มีการทำพิธีบูชาเจ้าป่าเจ้าเขาขอให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงไปอย่างปลอดภยัยหลังจากพิธีใกล้เสร็จสิน้นพันตรีประพันธ์เจมส์สเนินนักบินที่1ประจาเฮลิคอปเตอร์ที่ต้องนาเครื่องออกปฏิบัติการครั้งนั้น ได้ตั้งจิตอธิษฐานเสร็จสิ้นแล้วก็ได้นําทูบไปปักบริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์แต่ก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นเมื่อพยายามปักทูบลงพื้นเท่าไหร่ทูบ ก, ก็ปักไม่ได้จึงเปลี่ยนที่ปักอยู่หลายครั้งแต่ก็ยังไม่ได้สักทีสุดท้ายจึงย้ายไปปักบริเวณที่มีน้ำซึ่งดินจะอ่อนกว่าที่อื่นจึงสามารถปักได้การปักทูบครั้งนั้นเหมือนจะเป็นลางบอกเหตุว่าจะเกิดภัยพิบัติขึ้นในภารกิจ และสุดท้ายที่เกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกซ้ําเป็นครั้งที่2มีผู้เสียชีวิตถึง9คนการทําพิธีบูชาในครั้งนั้นถือว่าเป็นการขอความคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่ากแก่งกระจาญเพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างลุล่วงและปลอดภัยแต่กลับเกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกติขึ้นเหมือนเป็นลางบอกเหตุให้ระงับการเดินทางในครั้งนั้นและเหมือนเป็นคําเตือนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลป่ากแก่งกระจาญแต่สุดท้าย ทหารเหล่านั้นก็ยังคงเลือกที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปซึ่งสุดท้ายก็เกิดโศกขนาตกรรมขึ้นอย่างที่เรารู้หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นชื่อเสียงและํำร่าลือเกี่ยวกับอาถรรพ์ในป่าแก่งกระจานก็เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นโดยต่างมีความเชื่อว่าความอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นในป่าแก่งกระจานนั้นเกิดจากหลายสาเหตุเจ้าพ่อเขาเจ้าและเจ้าพ่อเขาพระปวง เป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนบริเวณแก่งกระจาญ น, นับถือกันอย่างยาวนานโดยเฉพาะทั้งสองถือว่าเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาที่ดูแลผืนป่าแก่งกระจาญตั้งแต่อดีตซึ่งมีผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณป่าผืนนี้ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวกะเหรี่ยงต่างก็พากันให้ความเคารพ บ, บูชายอย่างมากในการเข้าป่าแต่ละครั้งมักจะมีการบอกกล่าวขอขา ม, มาหรือบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองแห่งนี้โดยเฉพาะชาวกะเหรี่ยง อย่างชนเผ่าประกากยอผู้ที่มีชีวิตคลุกคลีกับป่าแถบนี้มาอย่างช้านานก็มีการให้ความเคารพเจ้าป่าเจ้าเขาไม่น้อยซึ่งจะมีพิธีบูชาเจ้าป่าเจ้าเขาหรือที่เรียกว่าตาหลืออยู่เป็นประจำโดยชนเผ่านี้เชื่อ ว, ว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ในป่าล้วนมีเจ้าของและเจ้าที่เจ้าทางคุ้มครองไม่ว่าจะเป็นดินน้ำสัตว์หรือแม้แต่อากาศ ในการทำพิธีชาวบ้านหรือชาวปากากยอจะนัดหมายมาร่วมทำพิธีแทบทุกคนโดยบริเวณที่ทำพิธีนั้นมักจะเป็นบริเวณป่าที่ไกลออกจากหมู่บ้านที่มีต้นไม้ใหญ่อยู่จากนั้นก็จะนำเศษไม้ในบริเวณนั้นมาสร้างเป็นสารโดยใช้เลือดไก่หรือหมูทาให้ทั่วตัวสารจากนั้นก็จะถวายสิ่งของที่นำมาต่อด้วยการอธิษฐานให้เจ้าป่าเจ้าเขาช่วยคุ้มครอง นอกจากนั้นในการเข้าป่าแต่ละครั้งก็ยังมีข้อปฏิบัติปลีกย่อยอย่างเช่นก่อนที่จะรับประทานอาหารในป่าทุกครั้งต้องแบ่งอาหารส่วนหนึ่งวางบนใบไม้เพื่อถวายแก่เจ้าป่าเจ้าเขาผีป่านางไม้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อแสดงการเคารพนอกจากนั้นหากว่ามีการล่าสัตว์ในป่าเนื้อสัตว์ส่วนหนึ่งต้องถวายต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่าการขับถ่ายในป่าทั้งถ่ายเบาถ่ายหนักถมน้ำลายหรือสั่งน้ำมูก ควรจะขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาและสิ่งศักดิก์สิทธุทุกครั้งและต้องกลบให้เรียบร้อยเพื่อแสดงความเคารพอีกทั้งคำพูดคำจาเวลาอยู่ในป่าก็ควรระมัดระวังไม่ควรพูดท้าทายหรือหยาบคายเป็นอันขาดนอกจากนั้นเวลาออกจากป่าก็ต้องขอขมาอีกครั้งในสิ่งที่ทำล่วงเกินโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจอีกทั้งยังเป็นการแสดงการอาลาอีกด้วย เจ้าพ่อทั้งสองนั้นถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ก่อให้เกิดอภินิหารในป่าแถบนี้อยู่เป็นประจำบางครั้งยังปรากฏตัวให้ผู้คนได้ผ่านพบซึ่งส่วนมากมักจะเป็นการออกมาเตือนซะมากกว่าแต่หากผู้ใดคิดจะลองดีกับเจ้าพ่อย่อมพบกับหายนะที่รออยู่ข้างหน้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บริเวณเดิรอบของป่าแก่งกระจาด น, นั้นจะเป็นที่อยู่ของชาวบ้านธรรมดาซึ่งส่วนมากจะไม่มีผู้ที่หาญกล้าเข้าไปปลูกที่อยู่อาศัยในป่าแถบนี้เพราะความน่ากลัวในยามค่ำคืนนั้นมีมากกว่าตอนกลางวันหลายร้อยเท่าขนาดตอนกลางวันนักท่องเที่ยวหรือนายพรานจำนวนไม่น้อยอยังต้องเจอกับอาถรรพ์ของป่าแก่งกระจาดทั้งเดินหลงป่า เจอกับสัตว์ร้ายหรือไม่ก็เจอกับสภาพอากาศที่แปรปรวนเกินความคาดหมายหากเป็นเวลากลางคืนยิ่งไม่ต้องพูดถึงยิ่งหากว่าผู้ที่เข้าไปอยู่กลางป่าทึบแห่งนั้นไม่มีคาถาอาคมหรือของดีติดตัวย่อมไม่ต่างกับการยืนบนปากเขวโดยพร้อมที่จะตกลงมาได้ทุกเมือ่อด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงทาให้ชาวบ้านแถบนั้นมักจะเดินทางไปหาของป่าในเวลากลางวันเท่านั้น หากจะมีการเดินทางในเส้นทางนี้ยามค่ำคืนก็ต้องมีนายพรานผู้ขมังเวทหรือไม่ก็ต้องเป็นพระภิกษุผู้มีตะบะแก่กล้าเท่านั้นแต่ในป่าที่น่ากลัวอย่างนั้นกลับกลายเป็นที่อยู่ของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงชนเผ่าที่ใช้ชีวิตผูกพันกับป่าแห่งนี้มาเป็นเวลายาวนานซึ่งเชื่อกันว่าการที่ต้องอยู่ท่ามกลางสิงสาราศและอาถรรพ์ที่อยู่ทั่วไปหมดชาวกะเหรี่ยงต้องมีสยเวทแกร่งกล้าพอสมควร นอกจากนั้นสายเวทเหล่านี้ต้องถูกถ่ายทอดมายังชาวกะเหรี่ยงสู่ยุค ป, ปัจจุบันด้วยยังมีเรื่องราวอาถรรพ์กับชาวกะเหรี่ยงเรื่องหนึ่งที่ยังเป็นที่เล่าขานของชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในบริเวณนี้มาอย่างช้านานโดยนายลอยจีบงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองบ้านป่งลึกซึ่งอยู่บริเวณแก่งกระจานได้เล่าให้ฟังว่าในปีพุทธศักราช2538ได้มีนักศึกษาพม่ากลุ่มหนึ่งที่เรียกตนเองว่าพม่าแดง ได้เข้าไปอาศัยบริเวณชุมชนกะเหลี่ยงเก่าแก่ดังกล่าวซึ่งต่อมาในปีพศ2542ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้เข้าไปกวาดล้างกลุ่มพมา่าแดงดังกล่าวปรากฏว่าฝ่ายไทยนั้นได้รับบาดเจ็บล้มตายไปหลายนายส่วนกลุ่มพมา่าแดงนั้นสามารถหลบหนีได้อย่างปลอดภัยอย่างไม่น่าเชื่อทั้งที่ฝ่ายไทยนั้นมีจํานวนมากกว่าชํานาญการรบและภูมิประเทศมากกว่าอีกทั้งอาวุธและแผนการก็น่าจะดีกว่าแต่ผลกลับแพ้อย่างราบคาบ ซึ่งเชื่อกันว่าทหารฝ่ายไทยได้ถูกใส่เวทของชาวกะเหลียงทําให้แพ้อย่างที่เห็นหลังจากนั้นหมู่บ้านกะเหลียงดังกล่าวก็อยู่ภายใต้การจับตามองของทางการมาโดยตลอดแต่ก็ยังไม่มีใครกล้าเข้าไปบุกรุกหรือล่วงล้ำเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวอีกเลยหากไม่จําเป็นด้วยส่วนมากมักจะใช้การเจรจาซะมากกว่าบรรดาเจ้าหน้าที่ในอดีตนั้นต่างรู้ดีว่าบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นเหมือนพื้นที่ต้องห้ามของคนเดินป่า หากต้องการผ่านต้องขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณนั้นเสียก่อนเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นที่รู้จักกันในหมู่ข้าราชการสมัยนั้นเป็นอย่างดีจึงไม่ค่อยจะมีใครอยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือมีความขัดแย้งกับชุมชนชาวเกาหลีมากนัก นอกจากนั้นยังมีความเชื่อว่าชนชาวเกาหลีนั้นมีผู้นําที่มีสายเวทเก่งกล้าสามารถเรียกลมเรียกฝนได้ดังใจและยังเป็นบุคคลที่ถือว่าชาวเกาหลีในแถบเทือกเขาตะนาวสีเชื่อถือและนับถือกันมากซึ่งมีชื่อว่าผู้เท่าคออีโดยผู้เท่านี้แม้อายุตอนนี้จะอยู่ที่103ปีแต่ร่างกายก็ยังแข็งแรงอยู่ท่านเป็นอดีตนายพรานผู้ช่ำชองแถบเทือกเขาตะนาวสีซึ่งในปัจจุบัน ผู้เท่าท่านนี้ถือว่าเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณของชาวกะเหรี่ยงในแถบสี่จังหวัดตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์โดยผู้เท่าคออีเล่าถึงความเก่งกาจของตนเองในครั้งอดีตว่าหากย้อนไปประมาณ70ปีที่แล้วย่อมไม่มีใครไม่รู้จักนายพานคออีในอดีตนั้นพรานเท่าคออี เดินทางไปทั่วเทือเขาตะนาวสีเพื่อหาสมุนไพรและของป่ามาขายให้บรรดาร้านในเมืองชีวิตส่วนใหญ่ล้วนต้องอาศัยในป่าความรู้ทางด้านการเดินป่าคาถาอาคมที่ใช้ในป่าล้วนไม่เป็นรองใครเรื่องดังกล่าวไม่ใช่คำอวดอ้างหรือคุยโวเมื่อมีการพบภาพสมัยโบราณ ที่ถ่ายกลุ่มพรานป่ากะเรี่ยงที่นำของป่าเข้ามาเร่ขายซึ่งหนึ่งในพรานป่าเหล่านั้นก็มีรูปของปู่คออีที่กำลังยืนถือปืนอยู่นอกจากนั้นผู้เท่าคออีได้เล่าถึงสาเหตุของเฮลิคอปเตอร์ตก3ามลำซ้อนภายในระยะเวลาเพียง9้าวันที่ป่าแก่งกระจานว่าเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ของทางราชการได้ทําการลบหลูช่ชาวกะเรียงก่อนทาให้มีการสาบแช่งจากฝ่ายกระเรียง จนสุดท้ายทำให้เกิดโศกขณัตรกรรมดังกล่าวขึ้นและมีผู้เสียชีวิตถึง17ศพโดยรายละเอียดในเรื่องนี้ผู้เฒ่าได้เล่าย้อนไปในเดือนมิถุนายน2544ก่อนเกิดโศกขณัตรกรรมเฮลิคอปเตอร์ตกเพียงหนึ่งเดือนว่าในอดีตนั้นชุมชนกะเหรี่ยงได้อาศัยอยู่บริเวณผืนป่าลุ่มน้ำทีกรูพระดูหรือแม่น้าห้วยใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่ดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยง แต่ภายหลังนั้นได้ถูกเจ้าหน้าที่ของราชการผลักดันออกจากพื้นที่นั้นได้มีการเข้าไปรื้อถอนจับกลุ่มและเผาทําลายสิ่งก่อสร้างต่างๆภายในหมู่บ้านที่สำคัญยังเผาทําลายยุงข้าวที่เก็บข้าวเอาไว้สำหรับใช้กินตลอดทั้งปีซึ่งทําให้ชาวกะเหรี่ยงภายในหมู่บ้านต่างแตกกระจายตัวไปบางกลุ่มก็หนีเข้าป่าบางกลุ่มก็ต้องอยู่อาศัยกับญาติพี่น้องตามหมู่บ้านอื่นในละแวกใกล้เคียง นอกจากนั้นยังมีชาวกะเหรี่ยงอีกส่วนหนึ่งได้เดินเท้าเข้าป่าลึกบริเวณต้นน้ําทีปกรูผาดูและทําการปลูกสร้างบ้านเรือนขึ้นมาใหม่แต่ภายหลังในวันที่12กรกฎาคม2554ทางเจ้าหน้าที่ก็ยังตามไปผลักดันชาวกะเหรี่ยงกลุ่มนี้ออกจากบริเวณต้นน้ําที้กรูผาดูอีกด้วยทําให้สร้างความโกรดแค้นให้ชาวกะเหรี่ยงกลุ่มดังกล่าวเป็นอย่างมากและนั่นจึงมีการทําพิธีกรรมสาปแช่งเจ้าหน้าที่ราชการ หลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันก็เกิดเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกถึงสามลำและมีผู้เสียชีวิตถึงส7บศพซึ่งในความเชื่อของชาวเกาหลีนั้นเชื่อว่าเลข7เป็นหมายเลขแห่งอาถรรพ์เป็นหมายเลขที่ชาวเกาหลีโบราณเชื่อว่าแสดงถึงความตาย และหากว่าลองเขียนกลับหัวก็จะมีความหมายว่าตายตามภาษากะเหรี่ยงนอกจากนั้นผู้เท่าข อ, อียังกล่าวต่อไปว่าการที่ลบหลู่ชาวกเหรี่ยงก็เปรียบเสมือนการลบหลู่ผืนป่าแห่งนี้เพราะมีความเชื่อว่าต้นกำเนิดของชาวกเหรี่ยงนั้นมาจากผืนป่าแห่งนี้ซึ่งมีชีวิตและจิตวิ ญ, ญญาณซ่อนอยู่ วิธีการจะแก้คำสาปแช่งเหล่านี้ต้องมีการทำพิธีขอขมาโดยผู้ที่จะทำพิธีได้ต้องเป็นชาวกระเหรี่ยงดั้งเดิมเท่านั้นเพราะมีจิตวิญญาณผูกพันกับป่าผืนนี้ซึ่งผู้ที่เหมาะสมที่สุดก็คงจะเป็นผู้เท่าค อ, อี๋และน่าจะเป็นเพียงผู้เดียวที่ยังสามารถทำพิธีนี้ได้ หลังจากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกเป็นลำที่3ทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องก็พยายามติดต่อกับผู้เท่าคออีเพื่อขอช่วยทำพิธีขอคมาโดยผ่านทางนายวุฒบุญเลิศผู้ประสานงานเครือข่ายกะเรียงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่แห่งนั้นโดยขั้นตอนการทำพิธีนั้นจะมีการกล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของชาวกะเรียงคือเจ้าแห่งฟ้าเจชั้นเจ้าแห่งพื้นดิน7ชั้นเจ้าขุนเขาทั้ง7ชั้นเจ้าป่าเจชั้น เจ้าสายน้ําทั้ง7ชั้นจากนั้นก็จะได้กล่าวคําบอกกล่าวและคําขอขมาจากพิธีดังกล่าวจะเห็นได้ว่าจะใช้หมายเลข7ซึ่งเป็นเครื่องหมายของความครบถ้วนที่สุดภายหลังเมื่อเสร็จสิ้นพิธีก็ไม่เกิดอาเพศขึ้นกับป่าแถบนี้อีกเลยเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์สําหรับผู้ที่เพิ่งรู้เรื่องราวและไม่เคยเชื่อในเรื่องอาถรรพ์แห่งป่ามาก่อนป่าแก่งกระจานเป็นหนึ่งในป่าที่มีอาถรรพ์ที่กล่าวขวัญกันมากในแวดวงของนายพรานและนักท่องไพร การก้าวเข้าไปสู่ป่าแห่งนี้ควรจะต้องระวังเป็นอย่างมากทางที่ดีควรมีผู้ชำนาญพื้นที่เป็นผู้นำทางและตัวเราเองก็ควรปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดนั่นน่าจะทำให้ตัวเราห่างไกลาจากอาถรรพ์ในป่าแห่งนี้ได้มากที่สุด